วันนี้ก็มีนักเรียนที่เป็นครอบครัวฟังจากได้มาที่วัดป่าสุกตแล้วก็จะไปปลูกป่านะะระหว่างที่นั่งรอพระตักอาหารเราก็ฟังธรรมไปก่อนแล้วกันนะ เลยแล้วนี้ก็ได้อ่านเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ25ได้มั้งเมื่อรักสามสี่สสสสสปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเธอเป็นดาวมหาวิทยาลัยแล้วก็หน้าตาก็สะสวยเป็นพริตตี้ด้วยนะ งานดีแล้ก็เป็นพริตตี้ไปออกตามงานต่างๆบอก ว, ว่าวันดีคืนดีก็ไปติดต่อรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตหรือเฟซบุ๊กนะติดต่อกันเรื่อยมาจนกทั่งก็นัดพบกันผู้ชายก็นึกว่าผู้หญิงชอบตัวแต่ว่าผู้หญิงก็บอกว่าคบกัน แบบเป็นเพื่อนผู้ชายก็โกรธมากผิดหวังก็เลยเอาน้ำกรดสาดมาที่หน้าเธอก็เสียโฉมเลยนะหน้านี้ก็เป็นแผลตาบอดไปข้างหนึ่งผู้หญิงที่เคยสวยน่ารักตอนนี้หน้าตาก็เรียกว่าอัปลักษณ์ก็ได้นะ ที่จริงก็ไม่ถึงอัปลักหรอกแต่ว่าคนที่ไม่คุ้นบอเห็นแล้วก็จะตกใจงั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้นี่เราจะทำอย่างไรนะก็เรียกว่าอนาคตดับบูบเลยก็ได้ไม่กล้าไปเจอพบปะผู้ค น, น, นเธอก็เป็นอย่างนั้นนะ ช่วงที่เจอเหตุการณ์ใหม่ๆก็อับอายขายหน้าผู้คนมากแค้นก็แค้นอับอายก็อับอายก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเลยเพราะว่าอยู่บ้านเดิมนี่ใครเห็นเขาเขาก็จ้องมองเพราะเห็นหน้าตามันดูไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเธอก็ กลับมามีความสดชื่นแจ่มใสแล้วก็กล้าที่จะออกไปหาผู้คนก็เรียกว่ากลับมามีชีวิตตามปกติบางทีนั่งรถใต้ดินแล้วก็มีคนมาจ้องมองหรือคนมาทัก ว่าชื่อคุณเค้กใช่ไหมเธอก็พูดว่าใช่ถูกต้องแล้วค่ะนะคือพูดเล่นไปเลยนะเหมือนกับรายการเจอะใจนะถูกต้องแล้วครับน ะ, นะนก็ไมไ่รู้สึกอับอายอะไระเธอบอกว่าไอเหตุการ์เพียงแค่เหตุการ์เดียวในชีวิตนี่มันไม่ควรจะทำให้ชีวิตเราแย่ลง นะควรทําให้มันดีขึ้นหมายเขาว่าคนเรานี้ไม่ควรจะจะปลยชีวิตแย่เพียงแค่เหตุการณ์เหตุการณ์เดียวนะเมื่อมันเกิดขึ้นมาก็ควรทําให้มันดีขึ้นเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เธอมองอะไรในมุมใหม่มากขึ้นนะแล้วก็ทําให้เธอมีชีวิตใหม่ด้วยก็มีคนถามว่า เวลาไปไหนมาไหนคนจ้องมองนี่ไม่รู้สึกบ้างเหรอเธอก็บอกว่าใครเขาจะป้องจ้องมองเราอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาคนเราไม่ควรจะเอาความสุขไปผูกติดอยู่กับมุมมองของใครถ้าเรามมวมามมวแต่กังวลสายตาของใครเนี่ยเราจะมีความสุขได้อย่างไร เขาก็ไม่ได้เลี้ยงเรามาเขาก็ไม่ไดเ้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราชีวิตของเราเราก็ต้องเอามาแขวนไว้กับตัวเองนะจะไปแขวนไว้กับคนอื่นได้อย่างไรนะเธอก็เลยไม่ไม่หวัน่นไม่อับอายสายตาของใครนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่า คนบางคนเพียงแค่ว่าผมงอกนะผิวตกกระนี่ก็ยังรู้สึกอับอายแต่ว่าเธอนี่ไม่หวั่นไหวเลยมีคนถามถึงผู้ชายถามเธอถึงผู้ชายคนที่สาดน้ำกรดให้เธอเธอบอกว่ายังไงรู้ไหมเธอบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกขอบคุณเขาไม่ได้โกรธนะขอบคุณ ขอบคุณที่ทําให้ฉันได้ก็ใช้ว่าแทนตัวว่าเค้กนะขอบคุณเขาที่ทําให้เค้กนี่ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นเธอคงจะหมายคำ ว, ว่าถ้าเธ อ, อยังสวยเหมือนเดิมก็คงจะล่อนไปโน่นล่อนไปนี่นะแต่นี่เธอได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้มารู้ว่า ได้มาผู้ใหญ่มากขึ้นหมายความว่าได้คิดแบบผู้ใหญ่นะคือได้รู้ว่าทุกอย่างมันมีอายุของมันมันมีหมดอายุมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงเธอไม่เสียโฉมวันนี้นะพอแก่ตัวมันก็ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอแบบนี้ก็ทําให้ปล่อยวางรูปร่างหน้าตาของตัวได้มากขึ้นถ้าเธอบอกว่าเนี่ยพอปล่อยวางได้แล้วนะเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยพอมาเจอเรื่องอื่นเนี่ย มาเจอเรื่องเหตุร้ายหรือมาเจอคำพูดที่คำตำหนิว่ากล่าวคนเธอไม่ทุกข์ละปล่อยวางได้ น, ะ, นะเธอนี่มองโลกในแง่บวกมากนะคือไอเหตุร้ายนี่มันกลับกลายเป็นของดีทำให้เธอรู้จักปล่อยวางแล้วก็ขอบคุณผู้ชายคนนี้แต่ก่อนนี่เธอนะเคยคิดจะฆ่าตัวตายนะ แต่ว่าเปลี่ยนใจเพราะว่าความรักของแมนะ่แม่นี่มีความรักกระเทอมากก็ทําให้ยืนหยัดขึ้นมาทิ้งอดีตแล้วมองไปข้างหน้าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะสําหรับพวกเราโดยเฉพาะที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ยังยังยึดติดกับรูปร่างหน้าตางตัวหลายคนนี่แค่เป็นสิวแค่นั้นแหละแล้วก็จะมานกินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายหน้าไม่เ ต, ต่งตึงรักแร้รักแร้ไม่ใต้วงแขนไม่ไม่ขาวนี่โอ้ยกลุ้มใจเครียดแล้วลองมาเอาผู้หญิงคนนี้ชื่อเคก้กเป็นแบบอย่างนะแล้วเธอตั้งตั้งหลักได้เร็วมากนะคือพอเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยทุกอยู่ไม่กี่เดือนก็ทำใจได้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือจนได้เกียรตินิยมอันดับสอง แล้วก็ตอนนี้ก็ไปเป็นพนักงาน call center ในธนาคารที่มีชื่อมากคนเราเวลาแบกเวลาแบกหน้าตาที่มีริ้วรอยนะน้ำกรดนี่ไปไหนนี่ก็น่าจะรู้สึกอับอายเพราะคนจ้องมองแต่เธอไม่รู้สึกเลยนะกลับเห็นเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องการฝึกปล่อยวางแล้วนะพวกเรานี่เวลาเจอเหตุร้ายนี่ต้องฉลาดในการ รับมือกับมันนะอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานี่มันสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นดีได้ทั้งนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่อกหักนะผู้ชายทิ้งแค้นมากเลยแค้นหนึ่งคิดจะฆ่าตัวตายเสร็จ แ, แล้วก็นึกมาได้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้เป็นของเราคนเดียวมันเป็นของพ่อแม่ครึ่งหนึ่งเราจะทำลายชีวิตของพ่อแม่ไปไม่ได้นะ อย่างน้อยไม่ถ้าไม่รักตัวเองก็ต้องรักพ่อแม่เธอก็เลยไม่ฆ่าตัวตายนึกว่านึกถึงพ่อแม่จะต้องทุกข์นะคิดแบบนี้ก็ดีนะร่างกายของเรามไม่ใช่เป็นของเราคนเดียวเป็นของพ่อแม่ด้วยเพราะฉะนั้นจะกินอะไรจะทําอะไรกับร่างกายนี้ก็ให้ให้นึกถึงพ่อแม่ ก, กินเหล้ากินเสพสูบบุหรี่กินยาบ้าก็ต้องคิดถึงพ่อแม่ด้วยว่าเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของพ่อแม่ครึ่งหนึ่ง อคิดแบบนี่ทำให้เธอเปลี่ยนใจไม่ค่าตัวตายแล้วก็หันไปเข้าวัดได้ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่อ่านหนังสือแต่ว่าได้ปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาได้พบวกวับความสุขได้มีความสุขมากปล่อยวางได้หันมาถือศีลแปด น, นะอยู่อยู่บ้านนะแต่ถือศีลแปดมาสี่ปีแ ล, แล้วแล้วก็มีความสุขเธอบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยขอบคุณผู้ชายคนนี้นะ การที่เธอการที่ผู้ชายคนี้ทิ้งเธอไปก็ทําให้เธอได้มาเจอธรรมะนะให้คนที่ก็าทำอะไรไม่ดีกับเราไว้เนี่ยไม่ว่าสาดน้ํากรดหรือว่าทิ้งเราอกหักอกเรานี่ให้รู้ว่าเขาอาจจะกําลังทําสิ่งที่ดีให้กับเราก็ได้นะแต่ น, นี้มันอยู่ที่มุมมองของเราด้วยนะเราต้องมองให้เป็นแล้วก็ใช้ชีวิตให้ถูก เงินหายของหายตกงานนะให้นึกดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับเรื่องราวของเค้กนะเพราะว่าเงินหายก็หาใหม่ได้นะรถหายก็หาใหม่ได้แต่ว่าไอ้หน้าที่เสียโฉมนี่มันไม่มันไม่ไ ม, ไม่มีใหม่เลยนะมันจะอยู่ติดตัวกับเราไปจนตาย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์เลยเขาพูดไปดีนะบอกว่าไอ้หน้าที่เสียโฉมเนี่ยถึงไม่เสียวันนี้นะพอแก่ตัวมันก็เสียเหมือนกันนะจริงไหมพอเราอายุสักห้าสิบหกสิบเนี่ยมันก็เสียโฉมแล้วล่ะหน้าที่เคยสวยเคยเต่งตึงก็เหี่ยวย่นเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเคสก่อน เกิดขึ้นกับเธอเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าในสุดมันก็ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนจนได้นะไอ้ความเสียโฉมเนี่ยนะฟัน ฟ, งฟงางหักนะหน้าเหี่ยวย่นนะบางทีก็อาจจะหนักกว่านั้นด้วยแต่ว่าเธอนี่รู้จักปล่อยวางรูปร่างหน้าตาตั้งแต่อย่างสาวนะไอ้เรื่องที่เหลือนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะ เดที่บอกเธอก็ปล่อยวางได้เยอะกับเรื่องอื่นๆเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเธอเดี๋ยวนี้มันเบาวกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนอันนี้แหละถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักทำใจหรือวางใจให้ถูกต้องนะเราก็จะเป็นทุกข์กับไอเหตุร้ายๆเล็กบ้างใหญ่บ้าง แต่ถ้าเราวางใจเป็นแม้เจ็บเจอเหตุร้ายเนะก็ทำใจได้แต่ถ้าวางใจไม่เป็นนะเจอเจอโชคเจอลาบก็ทุกข์นะชาวบ้านคนหนึ่งไปแทงหวยนะสาแทง15บาทถูกหวยนะสามตัวได้มาห0 0้อดีใจนะ แต่พอรู้ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาแทงเลขตัวเดียวกันแต่เขาแทงมากกว่าเขาก็เลยได้เยอะได้สองพันเราได้หกร้อยแต่เขาได้สองพันนะเป็นยังไงหน้าที่เคยหุบหน้าที่เคยยิ้มนี่หุบเลยนะหุบเลยอันนี้เรวาวางใจไม่เป็นถ้าวางใจไม่เป็นเอย่าว่าแต่เจอทุกเลยนะหรือว่าเจอ เจอเคราะห์นะแค่เจอโชคแม้แต่เจอโชคก็ยังทุกได้แต่ถ้าวางใจเป็นเจอเคราะก็กลายเป็นโชคได้เหมือนกันมีนักศึกษาคนหนึ่งก็น่าสนใจนะแกก็เป็นมะเร็งมเ ม, มเลมดเลือดะก็เสียศูนย์อยู่พักใหญ่นะแต่ตอนหลังก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณมะเร็งนะเพราะมะเร็งนี่ทําให้ มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิเขาสามอย่างอย่างแรกคือว่าทําให้เขาได้ผันมาสนใจธรรมะผันมาศึกษาธรรมะคือพอป่วยแล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือธรรมะไงแต่ก่อนนี่แข็งแรงก็เที่ยวเล่นเข้าผับเข้าบาร์แต่พอป่วยแล้วนอนโรงพยาบาลก็อ่านหนังสือธรรมะก็เกิดความเข้าใจธรรมะมากขึ้นเห็นคุณค่าพุทธศาสนาอย่างที่สองคือว่าทําให้ ทาบซึ้งในความรักของพ่อแม่พอพอป่วยแล้วนี่พ่อแม่ก็มาดูแลใจใสแต่ก่อนไม่ค่อยมีเวลาคุยกันแต่พอได้มีเวลาใกล้ชิด ก, กันแล้วก็รู้สว่าพ่อแม่นี่ความรักของพ่อแม่นี้ยิ่งใหญ่มากแล้วคนเราบางทีจะมาเห็นความรักของพ่อแม่ก็ตอนป่วยนะไอตอนสบายนี่ไม่เคยเห็นหรอกนะอันที่สามก็คือทําให้เขาได้ ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมากขึ้นก็คือว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็อใส่ใจกับชีวิตของตัวมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าไม่ป่วยนะทุกวันนี้ก็ก็คงจะเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปก็คือนอนหอพักตื่น ตื่นบ่ายสามนะตื่นบ่ายสามนอนดึกเรียนหนังสือสักพักหนึ่งแล้วก็เลิกเรียนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวผับเที่ยว บ, บ, บาร์เล่นไพ่จนตีสองตีสามหนึ่งเข้านอนนะใจชุดแบบไม่คำนึงถึงอะไรแบบประมาทนะ น, นะไม่ค่อยใส่ใจแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแนละ้วเพราะว่าเป็นมะเร็งนะ อันนี้ก็เราเป็นคนฉลาดนะที่รู้จักเปลี่ยนเคราให้กลายเป็นโชคได้เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขนะแล้วพวกเราก็ต้องเตรียมแบบนี้บ้างนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในอนาคตนะหรือว่ากำลังเกิดขึ้นกับตอนเราตอนนี้แล้วก็ได้นะเราก็ยังทําให้มันเป็นเป็นโชคได้นะอ่าเราก็เตรียมรับพรนะอิชิตังปฏิตังตุ